ชันเวลาเราจะไปเราจะไปให้ทานตอนเช้าเราจะไปเราสมาทานศีลเราจะไปสวดมวนต์ไหว้หพระจะไปที่ลานโพลานเกดีจะไปถวายทานเป็นต้นเหล่านี้หรือไปหน้าที่ต่างๆให้กําหนดไปอยู่กิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์แน่นอนเหมือนจะไปเรียนหนังสือเป็นประโยชน์ มันเป็นประโยชน์ทีนี้มันประโยชน์มันข้างนอกเข้าใจไหล่ะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงแต่ประเด็นคือไอ้ประโยชน์จริงๆมันอยู่ตรงที่ตัวธรรมะที่ได้ศรัทธาที่มันเกิดขึ้นน่ยตรงนั้นต่างหากไปทํากิจกรรมนั้นแล้วมันได้ศรัทธาได้ความเชื่อมั่นในพระธรนมตรยัยมันได้ศีลได้ศรัทธาได้ศีลมันได้สุตตะได้ข้อมูลในการที่จะดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ได้จาคาก็คือการสละกิเลสได้จริงๆสละกกิเลสเช่นมันได้ศรัทธามันทำลายมันทาลายความไม่มีศรัทธาทิ้งไปได้มันได้ความกล้ากล้ามันทำลายความเกียดค้านหดหู่ท้อถอยได้มันได้สติมันทำลายความฟันเฟือนเลื่อนเรือหลงการหลงลืมสติมันได้สมาธิมันทำลายความฟุ้งซ่านได้มันได้ปัญญาคือทำลายความหลงความโง่ได้อันนี้ประโยชน์คือตัวนี้จริงๆแล้ว ประโยชน์ข้างนอกที่เราไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมันนอกแต่สาระของคําว่าอัศธะเนี่ยประโยชน์ที่แท้จริงหมายถึงตัวธรรมะสรุปก็คือตัวสิ่งสมัยทป็นอามันไปแล้วมันได้ถึงเนืเ้อส า, าสระศาสกร์สัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เลยประการต่อมาคือว่าส ป, ปายะสัมปชัญญะคือไปหนะ้าที่ตรงไหนไปเกี่ยวข้องกับคนใดแล้วมันมันสะดวกมันเกื่อนหนุน สถานที่มันก็สัปปายะต่อการเดินกุศลได้คล่องอาหารก็เดินกุศลได้คล่องที่อยู่อาศัยอาหารสถานที่โคจรเที่ยวไปแม้แต่ที่เราไปเกี่ยวข้องทั้งหลายบุคคลทั้งหลายธรรมะที่ไปฟังทั้งหลายเนี่ยมันได้สัปปายะสัปปายะก็คือกุศลที่ยังไม่เกิดมันเกิดได้ค่อนข้างสะดวกมันไม่ไม่ลำบากเลยเนี่ยอย่างเรือสัปปายะที่สมบชัญญะ ประการต่อมาคือโคเจระสมบชัชย์ยะเวลาเรานั่งรถไปหรือไปทํากิจกรรมใดๆทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเราไปห่วงทํากิจมากกว่าทำจิต <c oughs> คือมันกิจกรรมหรือกิจนั้นมันทําได้รุ่มๆแต่จิตใจเราปล่อยมันปล่อยอะไรเนยทิ้งทิ้งอะไรทิ้งเมตตาทิ้งพรหมิหารบางครั้งก็ทิ้งมรณาทุสติบางครั้งก็ทิ้ง อสุภะกรรมฐานบางทีก็ทิ้งพุทธคุณแปลว่าเราไม่มีไม่มีโครจระสัมปชัญญะั้นสติสัมปชัญญะต้องกำกับกรรมฐานไปด้วยต้องมีต้องมีที่พึ่งต้องมีสารณะต้องมีเครื่องกำจัดภัยในในทุกกิจกรรมที่ทำให้ได้โครจระที่ที่เราจะโครจรไปสถานที่เราจะท่องเที่ยวไปทั้งหลายเหล่านี้ที่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ เราจะต้องจิตเราจะต้องผูกอยู่กับกรรมฐานยกตัวอย่างเช่นเวลาเวลามหาพระเขียนพระพบให้ระลึกถึงพุทธคุณอ้นเนี่ยพระไตรเนี่ยเป็นธงชัยของพระอรหันต์ธงชัยของพระเจ้าบุคคลที่หม่มผ้าไตรจีวรนี้เป็นบุคคลที่ไม่ไพแพ ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อมารมีกิเลสมารเป็นต้นด้วยการถวายพระไตายกิวรนีไ้ได้เห็นอย่างนี้เราไปหาอย่างนี้ก็เดินพุทธคุณพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะมารชนะกิเลสมารขันธมารมัจจุมารอภิสังขาระมารเทียบุตรมารชนะมารทั้งห้าแม้ชั้นใดจากการที่เราได้เห็นเราได้ถวายจงเป็นปัจจัยให้พระเจ้าชนะมารทั้งห้าโดยสะดวกเลย ก็เลยลือเห็นเห็นอะไรเห็นพระเจ้าเนี่ยพราพระเจ้าเนี่ยสำเร็จเป็นพระเจ้าด้วยพระปัญญาคุณเข้าถึงความเป็นพุทธภาวะพึ่งตนเองได้เรียกอัตนาถาเน่พึ่งตนเองได้ด้วยด้วยพระปัญญาคุณแล้วต่อมาพระเจ้าก็บำเพ็ญพุทธกิจบำเพ็ญพุทธจริยาเพราะความสาเร็จเข้าถึง โรกนาถังนี่คือพระมาหากรุณาธิคุณอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยพ้ะปัญญาคุณกับพระมหามหากรุณาธิคุณเนี่ยสำเร็จด้วยพระคุณสองประการเนี่ยสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์เราก็เขีนการที่เราไปหาพระสงฆ์ก็ดีไปหนะ้าที่ไหนก็ดีเนี่ยเราไม่ทิ้งพรอคําว่าพุโทโธก็ดีสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจราาิญนาธรรมเโนเป็นต้นเนี่ ใจก็ระลึกถึงเราได้ที่พึ่งแล้วเนอะคือเราได้ศรัทธาในพระปัญญาคุณของท่านได้ศรัทธาเอาศรัทธาไปไว้ในพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่เราได้รู้จักบุญกุศลแต่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าพระเจ้าอะไรพระเจ้าสองประการนี่เพราะพระปัญญาคุณที่เข้าถึงความเป็น พุทธภาวะสำเร็จพุทธภาวะด้วยพระปัญญาคุณสําเร็จพุทธกิจด้วยพระมหากรุณาธิคุณเห็นไหมเห็นเข้าถึงพุทธภาวะด้วยพราะปัญญาใช่ไหมเข้าถึงความเป็นพุทธเจ้าเพราะมีปัญญานี่แหละแต่เราคนไทยเราก็มาแยกเป็นสามปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาคุณแต่อันเดิมคือสองเนี่ยเข้าถึงความเป็นพุทธภาวะสําเร็จกิจเข้าถึงพุทธภาวะด้วยความด้วยพระปัญญาคุณ บำเพ็ญพุทธกิจด้วยกรุณาคุณฉะนั้นที่ศรัทธาใจเราน้อมไปถึงพระปัญญาคุณพระหมหากรุณาที่คุณนั้นตอนนั้นชื่อว่าเจริญพุทธคุณเราเห็นพระปัญญาคุณปุ๊บเห็นพระหมหากรุณาที่คุณปุ๊บแปลว่าเราได้พุทธคุณแล้วเนี่ยเราจะโครจรไปหน้าที่ไหนเห็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระรัตนตรยัยจะเห็นไหม พุทธคุณต้องเกิดขึ้นอะไรบ้างที่ไม่มีที่สุดอากาศใช่ไหมไม่มีที่สุดหมู่สัตว์ไม่มีที่สุดใช่ไหม mm hmm. จั ก, กรวาลก็ไม่มีที่สุดพุทธคุณก็ไม่มีที่สุดเราเห็นอากาศต้องเห็นพุทธคุณที่เห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายต้องเห็นพุทธคุณที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นเนี มันมีที่สุดที่ไหนเยอะแยะไปหมดเห็นจักราวาลโลกแต่ละใบทั้งหลายเลยเราเกี่ยวมันหาประมาณไม่ได้ต้องนึกถึงพุทธคุณเพราะเป็นอันเดียวกันอากาศหมู่สัตว์จักราวาลพุทธคุณเขาอากาศกระทบ ต, ตัวเราตลอดเวลาทำไมเราลึกถึงคุณของพระเจ้าไม่ได้เลาลูกถึงว่าภาปัญญาคุณของพระเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้ พระมหากรุณาที่คุณกับพระเจ้าหาประมาณไม่ได้อากาศไม่มีที่สุดจักรวาลไม่มีที่สุดหมู่สัตว์ไม่มีที่สุดที่สุดจพุทธคุณก็ไม่มีที่สุดหาประมาณไม่ได้หนกันพอคิดอย่างเนี้ยเราก็ได้พุทธคุณว่าเราเห็นหมู่สัตว์ที่มันหลากหลายกันเยอะแยะไปหมดสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมนับได้ไหมมีประมาณเท่าไหร่ พระปัญญาคุณก็นับไม่ได้พระหมหากรุณาธิคุณก็นับไม่ได้มันมันเสมอกัน<ม>ใช่ไหมครับอากาศจักรวาล ม, มูลสัตว์ทีนี้แล้วก็พุทธคุณกรณีอย่างเนี้ยเราคิดถึงพุทธคุณก็ให้ใจเราถ้าให้ตั้งสมาทานเนี่ยถ้าบาปเกิดขึ้น ความโลภเกิดขึ้นความกำหนัดเกิดขึ้นความขัดเคืองเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความ ม, อมอัวเมาเกิดขึ้นเวลาใดถ้าคิดถึงพุทธเจ้าเวลาใดคอยบาปเหล่านี้อันตรธานไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นให้พอบาปมันจะเกิดพอคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือความเครียดเกิดพอคิดถึงพระเจ้าให้ให้หลุดไปอย่างรวดเร็วให้เป็นอย่างนั้นให้สมาทานอย่างนั้น เมื่อข้าพเจ้านึกถึงพุทธโธได้เห็นพุทธโธได้เห็นพุทธคุณคิดถึงพุทธคุณหรือได้สัมผัสพุทธคุณอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าเกิดความละอายชัวย่วคุรบาทอย่างรวดเร็วใจน้อมเข้าหาพุทธคุณโดยไม่ตังเลสงสัยเลยให้ตั้งสมาทานนะับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นตน้นไป พอตั้งนี้ปุ๊บพอพอเราเห็นหมู่สัตว์มาทําความชอบใจไม่ชอบใจให้เราก็เราปุ๊บเนี่ยจะน้อมไปเลยเราจะไม่ไปขัดเคืองนาทีเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าผูกสตัตว์นี้ไว้ในตนหมู่สัตว์เท่าไหร่พุทธคุณก็เท่านั้นไม่มีหมูส่สัตว์จำพวกใดเลยที่พุทธญาณจะไม่เข้าไปแะลึก ที่จะไม่ผูกไว้พระเจ้าผูกไว้หมดในจักรวาลที่จะผลจะรื้อนั้นพระเจ้าจึงบอกมุมไว้หมดไม่มีมูสัตว์เลยคนไหนเลยที่พระเจ้าไม่เคยบอกไว้บอกไว้ในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นพระเจ้าบอกไว้หมดเราใช้ผ้าฉับพันใรลังสีไปบูชาพระเจ้าผ้าฉับพันใรลังสีที่พระเจ้า พิจารณาอภิธรรมพุ่งไปจักรวาลทั้งหมดเลยโลกาธาตุทั้งสิ้นไม่มีโลกาธาตุโลกาธาตุไหนไม่มีหมู่สันใดที่ไม่เห็นนั้นแปลว่าพระพุทธเจ้า ก, กําลังส่งขายพยานให้ไปหมื่นโลกาธาตุในบรรดาหมื่นโลกาธาตุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างจากพระฉับพันยุตยาน ได้รู้ว่าตอนนี้อิทัตถาคโตโลเกอปุปโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนั้นแปลพระเจ้ากําลังบำเพ็ญพุทธคุณแพพุทธคุณให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นว่าแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาตรัสรู้อริยสัจสี่เกิดขึ้นแล้วมูสัตว์ทั้งหลายอย่ามัวมืดบอดให้มาเฝ้าพระเจ้าและฟังธรรมจะได้บรรลุนั้นเราก็ได้บูชาแล้วฉพันธนุจารย์ ด้วยผ้าฉับพันรังสีฉะนั้นด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาได้ผ้าฉับพันรังสีเนี่ยบูชาพระญานของพระเจ้าอย่างมากมายหาประมาณไม่ได้ขอพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าเป็นต้นหรือขอบขายพระญานของพระเจ้าเป็นต้นถ้าข้าพเจ้าจะไปเกิดณนะที่ใดแห่งหนตําบอนใดขอให้ข้าพเจ้าเกิดอยู่ในขอบขาย ที่พยานของพระเจ้าพุ่งไปถึงแล้วไปเตือนใจให้เาพระเจ้าได้เกิดความละอายชัวยว่วครัวบาปเข้ามีศรัทธานในพระรัตนตรยัยประพฤติในสีมเจริญสมาธิอบรมปัญญาให้แทงตลอดอริยสัจโดยสะ ด, กดวกโดยเร็วถ้าเราตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนี้ใจเราจะหนีหดหนีจากบาปได้อย่างเร็วเวลาบาปมันจะเกิดปับ๊บมันจะละได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะอะไรเพราะเราสมาทานไว กรณีแบบนี้ให้เราระลึกถึงพุทธคุณเวลาไปที่ไหนไม่ทิ้งกรรมฐานหรือเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเขาปกติเราก็าเดินเมตตาได้ทําไมเราเราไม่โกรธคนนั้นไม่เครียดกับคนนั้นเพราะอะไเพราะเราเมตตาดูเราเมตตาตนเองถ้าเราโกรธบาปที่มันเกิดขึ้นกับเราไอ้บาปนั้นมันทําลาย มันทำลายกระแสชีวิตของเรานะับตั้งแต่วิาวาทวาทีนั้นแล้วทําให้เราจบอยู่ในอาบายทุกติวิบัตินโกใช่ไหมบาปคือโทสะมันทาลายเมตตาทําให้มโนโทุจริตเกิดกายทุจริตเกิดวจีทุจริตเกิดแล้วทุจริตเหล่านั้นทําให้ได้อาบายทุกติวิบัติในโกนี่แปลว่าคนไม่รักตัวเลย แล้วเมื่อเราเกิดโทสะปธุษร้ายตนเองไม่พอปทุษร้ายคนอื่นเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเพราะเราไม่มีความกรุณาในมูสัตว์นั้นให้สมาทานว่าต่อไปเราจะผูกกรรมฐานไว้ในตนเราจะ ค, คำว่าโครจรเนี่ยโครจระสัมปชัญญะแปลว่าจิตเราคิดถึงไข่คิดถึงต้นไม้ใบหญ้า คิดถึงสีเสียงกินรสผลิตภัณหรือทำมารมณคิดถึงหมู่สัตว์คิดไปหนะที่ไหนเอากรร ม, มาฐานไปด้วยไม่ทิ้งเพืะโครจรสัมปชัญญะไม่ใช่แค่เราเดินโครจรแค่ใจแค่ตัวเราไปอย่างเดียวใจเราที่มันวิ่งผ่านไปตามที่ต่างๆเราไม่ได้วิ่งไปเฉยๆเอากรร ม, มาฐานไปด้วยไม่ปล่อยกรรมาฐานไม่ทิ้งกรรมาฐานสติกำกับกรรมาฐานไปเรื่อย คำว่ากรรมฐานในที่นั้นก็คือเอาคําสอนของพุทธิย่าไปด้วยไปเห็นโต๊ะเข้าอี่ก็ไม่ลุ่มหลงในโต๊ะเข่าอี้ไปเห็นหมูสัตว์ก็ไม่ลุ่มหลงในหมู่สัตว์ไม่กําหนัดไม่ขัดเคืองไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงใช่มไหมมันสี่กรณีแปลว่าเป็นคนไม่ประมาณก็คือการอยู่โดยไม่ปราศจากสติก็คืออยู่โดยไม่ทิ้งกรรมฐานนั่นเองไม่กําหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งขีงความกําหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเที่ตั้งความขัดเคืองไม่รุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งความรุ่มหลงไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งความมัวเมาถ้าเราตั้งสติไว้ในฐานะสีนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาาระวังละกายะทุจริตเจริญกายะสุจริตและไม่ประมาทในธรรมทั้งสองอย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า ละกายยโสจริตแล้วแล้วก็เจริญกายยโสจริตแล้วก็ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือจะฝึกเจริญกายยโสจริตเนี่ยก็เป็นปัจจัยแห่งความพ้นทุกข์ให้ได้ละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตและไม่ประมาทในทําทั้งสองอย่างนั้นถึงไม่ได้พูดชั่วก็จริงพูดคําสัตย์คําจริงเป็นต้นก็จริง แต่คำสัตว์คําจริงเนี่ยจะต้องเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เท่านั้นละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตละจริงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีมโนสุจริตที่เป็นไปกับเนคขมะเป็นไปกับไม่พยาบาทเป็นไปกับการความที่เห็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นต้นนี้เจริญมโนสุจริตแต่ก็จะเจริญใจที่เป็นมโนสุจริตเพื่อเป็นปัจจัยการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ ละความห็ินผิดจเจริญสมาทิฐิสมาทิฐิแบบไหนกรรมสักตาสมาทิฐิไปรู้ในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องครรมเรื่องผลของกรรมฌานสมมาทิฐิเราจะเดินสมาธิเพื่อเป็นปัจจัยในการพ้นทุกข์วิปัสสนาสมาทิฐิเราจะพิจารณาเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นก็คือจะเห็นกฎไตรลักษณ์เข้าใจความจริงของชีวิต โดยโดยวางท่าทีทางใจให้ถูกต้องเป็นต้นเพราะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เนี่ยถ้าเราลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโคจระสัมปชัญญะด้วยไปที่ไหนเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งกรรมฐานเห็นอะไรแล้วจิตมันจะปลอบดลงงั้นเวลาเราคำว่าศาสตร์กะเสัมปชัญญะกำหนดประโยชน์ส ป, ปายะสัมปชัญญะ ไปณสถานที่ใดทํากิจใดๆแล้วมันสะดวกต่อการเจริญกุศลแล้วก็โคจระสัมปชัญญะไปหณที่ไหนไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะที่เป็นไปกับวัฒธรรมคำสอนของพระเจ้านั่นเองเขาเรียกไม่ทิ้งกรราามฐานสุดท้ายคืออาสัมโมหสัมปชัญญะในคําว่าไม่หลงไม่หลงในที่นั้นก็คือมีสัมปชัญญะไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงก็คือสามารถวิจัยอะไรได้อย่างเชิงลึกได้ เชิงลึกก็ได้เชิงกว้างก็ได้ชัดไดทุกเรื่องเช่นสามารถกาหนดรู้ว่าโดยบัญญัติคืออะไรโดยสภาวะคืออะไรรู้ทั้งความจริงโดยสมมุติและโดยความจริงที่เป็นปรมาก็ไปไปเข้าใจความจริงเขาเรียก่ไม่หลงถ้าไม่หลงจริงๆนะก็แปลว่าสามารถที่จะกาหนดวิจัยแยกแยะไปจนเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของสังขารและธรรม่างการยอสามโมหะจริงๆเปนชื่อของวิปัสสนาอย่างลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราใช้หรือเราเดินกุศลได้จริงถามว่าบาปจะอาศัยช่องไหนอกุศลจะอาศัยช่องไหนที่จะให้ผลดงนั้นที่อกุศลมันให้ผลพวกเราเพราะพวกเรา อนเองสติสัมปชัญญะเราเราประมาทมากประมาทก็คือขัดกําหนัดขัดเพลิงลุมล่มหลง ม, มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งความกําหนัดขัดเพลิงลุมล่มหลง ม, ม, มัวมาเพอาบาปมันเกิดในใจเราในกระแสชีวิตเราอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะลบบาปที่ยังไม่ได้ช่องมันก็ได้ช่วง เมื่อมันมันได้ช่องแล้วมันก็ทําให้ทีพอพอพอมันเจอสถานการณ์บาปให้ผลปุ๊บเปลี่ยนมาตั้งสติมนาะพอตั้งสติได้ปุ๊บท่นี้ใช้ปัญญาไปวิจัยเอาแล้วเราจะดูแลกระแสชีวิตให้ดีการดูแลกระแสชีวิตให้ดีก็คืออาาว ถ้าเราไปดูในมรณานุสติหลักในมรณานุสติเนี่ยความตายเหมือนเพชฌฆาตถือดาบจ่อที่คอพวกเรานี่เขาเรียกว่านักโทษประหารทุกคนนักโทษที่ติดคุกอันนั้นเป็นนักโทษสมมุติแต่มูสัตว์ที่ถือปฏิสนธิมาแล้วเหมือนเห็ดแทงดินขึ้นมาเลย หัวเห็ดที่แทงดินขึ้นมาก็มีขี้ดินติดมูสชาปฏิสนทีมาแล้วมรณะคือความตายก็ติดมาด้วยมันติดเดี๋ยวนั้นะมันไม่เพิ่งติดมันไม่ยืดติดมันติดทันทีในขณะปฏิสนทีเมื่อติดทันทีในขณะปฏิสนทีแปลว่าอะไรพร้อมที่จะตายทันทีในขณะต่อมาทุกขณะตายได้หมดใชทุกขณะทุกหลับตาลืมตา อันนี้คือพอปฏิสนธิปุ๊บก็เหมือนว่าถูกตัดถึงประหารชีวิตเหลือแต่ว่าเหลือแต่ว่าเขาจะได้โอกาสเมื่ อ, อไหร่นี่คือเพชรฆาตเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเพชรฆาตเนี้ยไอตัวเพชรฆาตที่มันตามมาติดติดปุ๊บตามมายังไงต่อหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกทุกหายใจเข้าทุกหายใจออกเขาพร้อมที่จะประหารเราได้ตลอดเห็นไหมถ้าระบบถ้าฉลาดหน่อยฉลาดหน่อย<ม>ก็รู้จักที่จะรู้จักที่บริหารสภาพที่ทําให้ลมมันเข้าออกได้อากาศที่จะเข้ามาแล้วก็ผักของเสียที่จะออกไปถ้าฉลาดหน่อยมันก็ยืดได้ระยะหนึ่งใช่ไหมฉลาดในเรื่องของที่จะดึงอากาศเข้าผักอากาศออก ก็คือว่าคนฉลาดคนไม่ฉลาดไปอยู่ในสภาพอากาศไม่ดี แ, แทนที่มันจะยืดเวลาได้หน่อยมันก็ไปเปิดช่องอีกทำให้มันตายเร็วขึ้น<ม>ใช่ไหมมันเภจะคาดตเนี่ยเขาจะเรียงเราตามลำดับใช่ไหมถึงเวลาเขาจะนั่นอันนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์อากาศที่ไม่เหมาะสม ก็เหมือนเราไปแซงคิวที่จะไปตายเร็วมองเห็นนี่ยังมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันนเพราะเราไม่ฉลาดในลมหายใจเข้าออกในทุกลมหายใจเข้าออกมาเล่นได้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเราใช้ยาบดไม่เหมาะสมก็เหมือนคนไปเดินไปแซงคิวที่จะเข้าให้เขาเขาาตัดคอเราเร็วนั่นเองเห็นไหมเห็นไหมยาบด งอกตายได้ตลอดถ้าคุณนั่งนั่งไม่บาลานซ์ยืนเดินนั่งนอนคูยเหเยียดก็เมื่ยตอนนี้ไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้ดุจยภาพไม่ฉลาดพอไม่ฉลาดพอในการอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมอากาศไม่ฉลาดพอในการอยู่ในสภาพเอียบทเรียบร้อยเลยใช่ไและความเย็นความร้อนปรับร่างกายไม่เป็น อาหารที่กินก็ไปเออยู่ในอากาศที่มันท่าร้อนท่าดร้อนรุนแรงท่าเย็นมันรุนแรงหรือว่าไปอยู่ในยาบทิถ้ไม่ท่าร้อนมันมันมันมันมันไฟท่าไฟแบบกลุ่มร้อนมันมากกลุ่มหนะเย็นมันมากทั้งหมดมันความฉลาดในการใช้ชีวิตหมดเลยอาหารอาหารที่เรานั่นก็ไปมันแล้วให้เกินให้ขาด ไอ้ส่วนเกินก็เกินไปส่วนขาดก็ขาดก็เรียบร้อยเห็นไหมเราหายใจเข้าออกอียาบทเย็นร้อนแล้วก็อาหารประการต่อมาความตายมันไม่มีนิมิตไม่มีนิมิตก็หมายความว่ากลางวันกลางคืนกี่โมงไม่เคยบอก ไม่มีนิมิตเรารู้ไม่ได้ในยี่สบสี่ชั่วโมงไม่รู้จะตายเวลานในยี่สบสี่ชั่วโมงในบ้านนอกบ้านไม่มีนิมิตบอกได้หมดในบ้านนอกบ้านตายได้โรคอะไรที่บอกว่าอะไรเขาไม่แน่มันโรคอื่นอีกเยอะอีกมากมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในร่างกายของเราเขาเรียกว่าหมู่สัตว์ที่อยู่ในร่างกายของเราพระพุทพจนใช้คําว่า80ตระกูลอัตคถาขยายเป็น 80,000 ตระกูล<ม>ในหมู่สัตว์ 80,000 ตระกูลเนี่ยหรือมันจะไปทําลายไตยทําลายตับทําลายปอดหัวใจสมองอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อไรก็ได้ เมื่อไหรก็ได้ความตายข้างในเต็มไปหมดเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันทะยุเยียมไปหมดเลยแปดหมื่นตระกูลไอ้ที่เราไปตรวจเจอมันส่วนน้อยมากมันมั น, ม, นมันต้องใช้คําว่ากุศลรักษาจริงๆต้องกุศลรักษาจริงๆทั้งกําลังสมาธิกุศลเนี่ย หอหล่อเลี้ยงดีจริงๆเนยบุญกะวุญละอีกเยอะมากมันถึงรอดได้แต่ทุกแล้ววินาทีทุกนาทีได้ให้เห็นอธิภายในก่อนนะนี่ต้องรู้ความจริงก่อนภายนอกทระขาแมลงป่องงูสัตว์เลื้อยคานเชื้อโรคที่หมอค้นพบสามหมื่นหกพันชนิดที่มันอยู่ในอากาศมันสามารถจะทำให้มนุษย์ตายได้เกียบพัน สามและอุบัต<ม>ิเหตุอะไรตกขกล้ ม, มอะไรเริ่มเหม็นนี่ยังมันไม่มีอะไรที่มันจะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง<ม>เลยให้ให้เข้าใจเสียใต้เรารักษาร่างกายดีขนาดหนแต่ให้รู้ถ้ารู้ความจริงนี้เราจะได้ไม่มไม่ประมาทแล้วเราจะได้โอเคกับมันว่าอ๋อ จะได้ไม่ต้องวิต ก, กังวลต่อให้คุณไปรู้ข้อมูลขนาดไหนไม่พอหรอกปัญญาอย่างเรารู้หย่อมเดียวรู้ได้หย่อมนิดเดียวแล้วก็ไม่สามารถเห็นองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดรู้บางส่วนบางแง่บางมุมเท่านั้นเองเพราะปัญญาเราไม่รอบไม่ลึกแม่หมอยังไม่รู้เลยเราจะได้รู้ความจริงและจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะ ตัดความกังวลได้แต่ตายแน่นี่คือไม่มีนิมิตนี่คือความจริงเออันนี้เราไม่ได้ศึกษามุมแบบนี้ถ้าเราศึกษามุมอย่างนี้เราจะเข้าใจทันทีว่าโอชีวิตเป็นแบบนี้จริงๆว่าเป็นแบบนี้อันนี้คือคือสัตว์ข้างภายในและภายนอกอันตรายภายในอันตรายภายนอกอันตรายจากสัตว์ที่อยู่าในร่างกายกับอันตรายตัวสัตว์ภายนอกไม่พออันตรายที่เราทามโนโทุจริต กายทวดเฉลี DA, DA, ่ยทวจีทวเฉลี่ยไราคาทวสามโมหะไออันตรายตัวเนี้ยเราสามารถที่จะฝึกที่จะไม่ให้มันเกิดได้เท่า น, นั้นเองแต่ถ้าเรายิ่งตอกย้ำไม่โล้พระทวสามโมหะเกิดเข้ออีกสวยเลยแย่เลยมองเห็นนียังแย่ใหญ่เลยไดนะ้ไหมเขาเรียกว่าโดนเบียดเบียนหมดเลยชีวิตไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นริ้พึ่งเลยที่เกิดมาเนี่ย น, น, นี่มองมองให้เห็นตายด้วยโรคอะไรตายที่ไหนตายยังไง ในบ้านนอกบ้านตายแล้วจะไปไหน<ม>ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาไม่รู้นีไม่มี น, น, น, น, นแต่มันจะรู้ตอนที่เราใกล้าตาย<ม>ถ้าตอนนั้นเป็นทุกขตินิมิตมาแน่นอนมันเหมือนเราล็อกเป้าเปลี่ยนนิมิตไม่ได้ถ้าเป็นสุกตินิมิตมาก็ไปสุกติทุกขตินิมิตมาก็ไป กติแต่ถ้าเป็นผ้าลหันไม่มีนิมิตนั้นคนที่ไม่มีนิมิตก่อนตายมีจำพวกเดียวคือผ้าลหันเพราะจุตติแล้วไม่มีนิมิตเกาะเขาก็ไม่ต้องเกิดนั้นอย่างเรามีแน่นอนจะเป็นสุขตินิมิตหรือทุกตินิมิตเท่านั้นเองฉะนั้นมันเหมือนถ้าเราดูภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นเครื่องบินลำหนึ่งมันบินอีกค้าง มันล็อกเป้าแล้วมันยิงเวลามันคอนโทร่ปุ๊บล็อกเป้าหรือยิงเนี่ยนิมิตเป็นอย่างไงว่าถ้ามันล็อกเราแล้วเนี่ยเอาออกยากมากคนที่จะแก้ไขให้เราต้องคนฉลาดจริงๆพรพโพธทิสัตถ์เนี่ยแก้นิมิตตัวเองได้ท่านเคยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันมีทกตินิมิตว่าปุ๊บมาล็อกเป้าท่านเนี่ยท่านคุยไม่ได้แล้วท่านแก้ไขตัวเองออกจากมิจฉาทิฏฐิและสมะไม่สมาทาน สมาทานละเดี๋ยวนั้นแล้วท่านก็ได้สุขตินิมิตเปลี่ยนจ้า<ม>อย่างเราเราถ้าไม่ฉลาดต้องอาศัยกัลยาณมิตรอยู่ใกล้<ม>ถ้ากัลยาณมิตรอยู่ใกล้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนนิมิตให้เราได้<ม>เขาเปลี่ยนก็แปลว่าเหมือนไปแก้รหัสไอ้ตัวล็อกล็อกเป้าที่จะยิงนั<ม>่นหละนั้นตรงนี้ใครที่มีกัลยาณมิตรก็เป็นบุญไป<ม>ใช่ไหมมีกัลยาณมิตรอยู่ใกล้คิดมีพระเจ้ามีพระธรรมของพระพิจารณาเป็นกัลยาณมิตรเขาเขาก็ได้ดีไป เพราะเขารู้เราอาการเริ่มแย่แล้วเนี่ยเขาจะให้นิมิต ด, ดีตเสร็จแล้วจะบอกวิธีให้เราถอนออกจากนั้นก็แก้ไขเราอย่างไรเราก็จะได้นิมิต ด, ดีแล้วก็จะได้สุขตินี้สําหรับคนยังต้องเห็นว่าใจเกิดแต่แน่นอนคือนี่คื อ, น, คอนี่คือมรณานุสติอันนี้เป็นสัพพะทักกะกรรมฐานแต่ว่าจําปาตถนาในกิจทั้งพวงเวลาใดประมาณ ให้หคิดถึงเรื่องแบบนี้ในขณะที่เราประมาทให้คิดถึงความตายแบบนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแปลว่าเรามีกรรมฐานไปด้วยเขาให้คิดในชีวิตจริง ใ, ให้คิดในชีวิตจริงหรืออาจจะนั่งระลึกยืนระลึกเดินระลึกนอนระลึกได้หมดให้ระลึกแบบนี้ให้ใส่ใจอย่างนี้มนัศการอย่างนี้มีสติ ดึงข้อมูลเหล่านี้ไป ไ, ปไข้ควรนี่เขาเรียกโมลณานุสติในในยามไหนในยามที่เราประมาทหมเมาเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มสาวเมาในวัยเมาในรักทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นให้คิดถึงอย่างนี้ว่าทุกลับตาลืมตาถ้ายามใดเกิดความขัดเคืองขึ้นมาเขาให้เดินเมีตาในยามใดที่เกิด กำหนัดยินดีเพื่อเพลินให้เดินมาให้เดินอสุภะกรรมฐานในยามใดที่เกิดความวัฏหูท้อถอยให้เดินพุทธคุณเชี่อไหมล่ะอย่างนี้ให้เป็นโคจาราสมปชัญญะตลอพวกนี้โดยมากเราไม่ได้เรียนกันเป็นกิจจะที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงถ้าเรามีตรงนี้ในชีวิตจริงถามว่าบาปจะได้ช่องหมไม่ได้เลยไม่มีเวลาไหนเลยที่เราจะหลุดจากกรรมฐานได้ เดี๋ยวเราก็ต้องอยู่กับพุทธคุณเดี๋ยวก็อยู่กับเมตตาพรหมิหารเดี๋ยวก็อยู่กับอสุภะเดี๋ยวก็อยู่กับมรณสติอยู่อย่างนี้ตลอดในชีวิตประจำวันหมุนไปตลอดในขณะที่เราเกี่ยวข้องในสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆสภาพจิตของเราก็จะเดินกรรมาฐานได้ตอนพอมองเห็นไหมอย่งนายมองเห็นไหมานั้นถ้าหากไม่เดินอย่างนี้ไม่พิจารณาอย่างนี้แปลว่าประมาท อยู่ด้วยความประมาทเมื่ออยู่ด้วยความประมาทเดี๋ยบาปมันก็ตามให้ผลเวลาบาปมันยัให้ผลมันให้ผลทัง ด, ด้านจิตใจเมื่อจิตใจคุณเป็นบาปมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวอกุศลมันก็ตามให<ม>้ผลเพราะอะไรเพราะปัจจุบันกรรมไปทําบาปให้อกุศลที่ไม่ได้โอกาส ไ, ได้โอกาสเห็นไห ม, มลราหลักการมีแค่นี้เองถ้ามองนี้เราก็จะได้เข้าใจโอ้เราประเผย แล้วถูอทีนี้ถ้าเราเผลอไปอย่างนั้นเราตั้งสติได้แล้วก็เจริต่อเจริต่อแล้วแก้ไขแล้วก็สมาทิฉันเคยประมาทในเรื่องแบบนี้ทั้งๆที่สอนหนังสือนี่แหละก็ประมาทตอนสอนก็สอนแล้วนะข้าวนะข้าก็ปล่อยบาปเวลาทํางานก็คเครียดกับงานเครียดกับงานก้มกับงานนะคะ้าวนะครับบาวให้ผล เพราะบาปให้ผลเช่นนี้ฉันมานั่งนึกโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากอยังยมเจอไม่เหมือนฉันเลยฉันไ ต, ตายมันพังไปหมดเลยถือว่าหนักนะเพราะฉันนึกในใจฉันนึก โ, โหฉันสมาทานเลยว่าออถ้ามีโอกาสที่ยังไม่มัตุราชไม่กระชากไปเนี่ยชีวิตที่เหลือจะไม่ประมาณ กุศลทั้งหมดฉันตั้งจิตอธิษฐานเลยเนะี mm ่ hmm. บยบารมีธรรมของพระรัตนตรยัยของพระเจ้าทั้งหลายกุศลทั้งหมดเอามาแลแลึกแล้วก็บอกว่าขอให้มีโอกาสอีกครั้งเนี่ยอัตภาพจะเดินกุศลเต็มที่จะไม่ประมาทอีกแล้วเนืได้โอกาสจริงๆพ็ได้โอกาสนั้ก็เดินกุศลเต็มที่เลย mm hmm. เดิน mm hmm. นี่สมาทานนี่สมาทาน ตั้งมั่นว่าเอาแรกเอาตรงนี้เป็นเป็นเป็นเป็นความภาวะเรื่องตัวจะเดินกุศลเป็นทีแล้วกุศลมันจะผลักดันให้หลุดออกจากบาปที่มันจะให้ผลแต่เพียงว่าหลุดออกมาแล้วอย่าประมาทพอหลุดออกมาจะจิตตรงนั้นได้แล้วตรงนี้ไม่ประมาทเลยตรงนี้เปิดเปิดอะไรเลยเลยเนี่ยอะไรบรรยากาศ ตัวนั้นต่ำไม่ใช่ตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นนะ่ะไม่สูงตัวนี้ไม่ได้อ๋อได้แต่ก็จะไม่สะดวกใช่ไหมจัน น, นี้มันมันมีที่เก่ อ, อ๋อใช่ ฉนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยโดยมากกุศลถ้าเราเจริญกุศลก็ต้องเป็นกุศลที่สามารถเอาไปเอาไปใช้ใได้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเพราะเราเคยศึกษาแต่ธรรมะที่เอามาใช้ไม่ได้ mm hmm. เพราะมันเลยมีปัญหาในภาคปฏิบัติการในภาคของการไปให้ทานไปทำกิจกรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่ยาก กุศลมันเกิดได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ในชีวิตจริง 80% เราอยู่กับชีวิตจริงบางครั้ง 90% เราได้ไปนั่งเรียนได้ 10% เท่านั้นเองไอ้ 10% ที่เราได้กุศล 90% เราเดินกุศลไม่เป็นชาวพุทธเป็นแบบนี้โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จริงไหมนะ อย่างนั้นเนี่ยไว้ตัดต่อแต่เครียดตัดต่อเนี่ยไปตัดต่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะแต่เครียดกลัวจะทําได้ไม่ดีบ้างหรือว่าเจอปัญหาบ้างตัดต่อยากบ้าง เ, เครียดเห็นไหมไอกิจกรรมเป็นกุศลนะเนี่ยแต่จิตเป็นอกุศลมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรากว่าถ้าทำอาหารใช่ไหมกิจกรรมมันทําได้แต่เครียด เดินกุศลไม่ได้จริงในชีวิตอันนี้อันนี้อันนี้ต้องแกะการทํากิจกรรมไม่ต้องแก้ไขการทํากิจไม่ต้องแก้ไขแต่การทํากิจต้องแก้ถ้าแก้ก่อนการทำการทํากิจและการทํากิตใช่ไหมการทํากิจใดๆมันเกื้อกูลต้องเกื้อกูลต่อการปัดจิตเพื่อทากิจการทํากิตก็ต้องเกื้อกูลต่อการทํากิจถ้ามันเกื้อกูลกันอย่างนี้มันจะเป็นกุศล ทีโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เราไม่ได้ขับเน้นการทํากิจเราขับเน้นแต่การทํากิจเมื่อเราทํากิจกรรมทั้งหลายทํากันตลอดเวลากิจกรรมของชีวิตทําตลอดกิจกรรมในการเดินออกกําลังกายกิจกรรมในการทําอาหารกิจกรรมในการซักเสื้อผ้ากิจกรรมในการนั่งรถไปตลาดกิจกรรมในการไปนวดไปอะไรมันมีกิจกรรมหมดแต่ เราได้แต่ทากิจแต่ไม่ได้ทํากิตทีนี้การทำกิตมันต้องฝึกให้กิตที่มันเป็นกุศลยังไงเพราะกุศลมันได้ยากกุศลมันสำคัญกว่าทรัพย์กุศลมันสำคัญกว่าญาติกุศลมันสำคัญกว่าอวัยวะกุศลมันสำคัญกว่าชีวิตใช่ไหมล่ะเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันได้มาด้วยกุศล ญาติที่ดีมันได้มาด้วยกุศลอวัยวะที่สมบูรณ์มันได้มาด้วยกุศลชีวิตที่เป็นสมบูรณ์แบบจนถึงชีวิตระดับเป็นทร้งมาสมุทรเจ้าได้มาด้วยกุศลบารมีทั้งหลายใช่ไหมกุศลมันถึงสำคัญกว่าทุกอย่างใช่ั้มละ่ะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราไปทำอาหารเราไปให้ความสาคัญกับอาหารมากกว่ากว่ากุศล ใช่ไหมเราจะทําอาหารให้ดีแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะฝึกกุศลให้มันดีให้ปานนี้ที่สุดจริงไม่จริงไม่งมันก็ทรัพย์นแหละเนี่ยเราจะทําบ้านให้มันดีทํากุตินี้ให้ดีแต่เราไม่เคยเราจะฝึกจิตให้มันดีให้มันเป็นกุศลได้มากกว่าบ้านทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรทุกเงินที่มันหวานลงไปเนี่ยหนึ่งล้านบาทเนี่ย กุศลที่มันได้เนี่ยมันคุ้มถ้ามันโอเคถ้ามันได้กุศลมันคุ้มนะมันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าแค่บรรณศาลาหลังเดียวใช่ไหมนี่เป็นจักรพรรดิีลาศพระเจ้ามหาสุทัศนาทํำด้วยไม้ด้วยทําด้วยกระต๊อบด้วยลังคามุงจากถวายแด่พระสงฆ์ในขนาดนั้นเลยเพราะอะไร เพราะการทํากิตกับการทํากิจของเขามันเกื่อกูลกันนี่เราเราก็ต้องให้มันเป็นอย่างนี้ในชีวิตจริงให้ชีวิตจริงมันต้องเกื้อกูลอย่างนี้มันต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดมันต้องใช้คําว่าชั่วโมงเนี้ยมันชั่วโมงสุดท้ายถ้าเราเหลือชีวิตอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะตายเนี่ยเราควรอะไรสําคัญที่สุด ง, งั้นเราก็ต้องรักษากุศลเจริญกุศลนี่ถูกไ<ม>อ้คาว่าชั่วโ ม, มงสุดท้ายเนี่ยนี่พูดอย่างคนประมาณเนี่ยลมหายใจออ<ม>ใช่ไหมแท้จริงก็เอาลมหายใจเข้าออกใช่ไหมล่ะเพาเราไม่รู้เว้ยเชื้อโรคแปดหมื่นกว่าตระกูลเนี่ย <c oughs> มันจะวิ่งไปทําลายสมองเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะทําลายไส้ใหญ่ไส้น้อยทําลายไตทําลายตับทําลายปอดทํำลายหัวใจ ไม่รู้มันจะไปจอะ ก, กัดกินแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล้วคอนโทรมันได้ที่ไหนแล้วมันถึงอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราไม่เห็นมีที่พึ่งอะไรเลยไม่เห็นมีที่พึ่งอะไรเลยเราอยู่แบบนี้จริงๆเนี่ยในชีวิตอยู่แบบนี้แล้นเมื่อเราเข้าใจว่าเออชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริงๆใช่ไหมอันนี้เป็นความเห็นหรือเป็นความจริงเนี่ยเป็นความจริ ง, มรงไม่ใช่ความเห็นนะ ม่ใช่ความเชื่อจะเป็นความจริงเป็นแบบนี้พุทธยานเห็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหมู่สัตว์ทั้งหลายหมู่หนอนทั้งหลายอยู่ในร่างกายข้างนอกก็มีอันตรายข้างในก็มีอันตราย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คิดอย่างนี้หน้าขอโทรไหม <c oughs> มันมันมัน <c oughs> ถ้าถ้ารู้ด้วยปัญญามันจะสะเทือน <c oughs> แต่ถ้ารู้ได้โทรศัพย์กลัว ก็เป็นอะไรมานี่ไม่อยากเป็นเลยไม่อยากเป็นเลยใช่ไ้มละ่ะทีนี้เวลาทํากิจเนี่ยมันทำได้สามวิธีแต่เวลาเราปฏิบัติชีวิตของเราเช่นแต่ก่อนก็อยู่อย่างเพลิดเพลินแต่พอภัยมาเฉพาะหน้าแล้วโอ้กุรีกูจอนี่คนประเภทหนึ่งเป็นแบบนี้เนี่ย เช่นว่า เ, าเรื่องการเงินการทองก็ดีเรื่องแม้แต่โรภคภัยแค้เจ็บแต่ก่อนก็อยู่ประมาทเ ม, มามาธรรมดาแต่พอมีโรคมาโอ้โหจำเวนนี้โอ้บบโหแต่นี่เอาใหญ่เลยทีนี้รีบแก้ไขบัดคือมันทำหกเหมืนนอนหกหมดเนี่ยทำผิดบ้างถูกบ้างแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างคนประเภทหนึ่งก็เป็นเป็นไหมเป็นคนประเภทนี้ตลอดเป็นคนประเภทนี้ประเภทนี้เป็นประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเป็นคนวิตกกังวลลุ่งหน้า กลัวหมดแล้วทําเพราะความกลัวนี่แหละว่าเห็นไหมมันไปเห็นอย่างนี้แล้วไปเข้าใจความจริงแล้วหูกลัวทุงอย่างคิดวิวาดกระเวยด้วยความวิตกกังวลเช่นว่าเออน้ามันจะท่วมเอยไฟมันจะไหมเอยเศรษฐกิจจะไม่ดีโอ้โห ว, วิตกกังวลป้องกันตัวเองแต่ทาถูกกิเลสบีบคั้นให้ทํากระทุ้งให้ทําเคยเห็นคนประเภทนี้ไห ม, ไมนี่คนประเภทที่สองใช่เราไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นประเภทแรกใช่ไหม ประเภทที่สมประเภทที่สามนี่เป็นคนที่ฝึกปัญญาตนเองรู้เท่าทันพอมีปัญญารู้ภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันตรายทั้งหลายที่จะมาพวกนี้จะเป็นอยู่ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ทํากิจใดๆด้วยความเร่งรีบก็ทําด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยสติสัมปชัญญะ อันนี้ควานี้เป็นอยู่ด้วยความไม่ตตา ม, มันนุ่นจะมีสามกลุ่มกลุ่มที่ให้ภัยมาจาะเฉพาะหน้าจึงทําแต่กลุ่มที่ว่ารู้ว่าภัยมันจะเกิดจริงแต่ถูกกิเลสบีบคั้นให้ทําทําด้วยความทกวิตกขงงังวลประเภทที่สามคืกลุ่มที่รู้และเข้าใจแล้วก็ทําการใดๆด้วยความไม่ประมาด้วยความรู้และเท่าธรรม แล้วควรจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มสมกลุ่มสามที่อ๋อควรจะเป็นควรจะเป็นกลุ่มที่สามใช่ไห ม, มกลุ่มที่สองกลุ่มที่สมันถูกกิเลสบีบคั้นมันรู้ด้วยกิเลสรู้ด้วยรู้แล้ววิตกกังวลรู้แล้วกลัวอโอ้ยทําใหญ่เลยกลัวอะไรก็กลัวไปหมดมแต่กลุ่มที่สามทำด้วยความรู้เข้าใจทําด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่าภัยมันจะเกิดในอนาคตก็แก้ไข เคียปัจจัยเพื่อไม่ให้ไปไม่ให้ภัยอันตรายนั้นเกิดขึ้นแล้วก็รู้เข้าใจเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตัวเราควรเป็นประเภทที่สามใช่ไหย <c oughs> นั้นในการในการเข้าใจคําสอนของพระเจ้าจะครจะเป็นคนฝึกเป็นคนระเภทที่สามแต่ก่อนอย่างที่ท่านไหนยพูดที่บอกว่าโอ้จริง ถ้ามันไม่มาจี้ต่อหน้าแล้วไม่ทําเช่นว่ามันจะมีงานอะไรต่างๆงานยังไม่ถึงก็ยังนอนรออยู่พอมาถึงโอ๊ยเล่นทําผิดพลาดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างแล้วยังอย่างจะศึกษาเราเรียนยังไม่ศึกษาอะไรเราเพราะมันยังไม่ได้ใช้อะไรมากเราอย่างเช่นจะไปสดดวดมนต์เถอะแล้วขอแล้ว มันที้ต่อหน้าแล้วโอ้โหเร่งไปทาใหญ่ทันบ้างไปทันบ้างแล้วนิสัยนี่ก็ติดอย่างนี้ตลอดมีจริงๆคนประเภ น, นี้โดยมากคนในโลกนี้สองกลุ่มกลุ่มที่ว่ามีอะไรมาจ่อเฉพาะหน้าก็แก้ไขแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าขอไปทีขอไปทีกับกลุ่มที่กระตือรือร้อนโดยความที่ถูกกิเลสบีบคั้น เป็นทุกข์วิตกกังวลหวาดระแวงกลัวกลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นกลัวสามีจะเป็นอย่างนั้นกลัวภรรยาจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะยากจนก็คิดบีบคั้นกลปัญหากลัวสถานการณ์ต่างๆวิตกังวลกลัวจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บโอ้วิตกกังวลเนี่ยบีบคั้นี้วยว่าสองคนใช่ไหมใช่คที่สองสามคมกว้างา ถ้ากลุ่มที่สามเขาเรียนรู้เข้าใจด้วยปัญญากำหนดอนาคตภัยอะไรเกิดข้นา้ำจะท่วมป้องกันยังไงไฟจะไหม้ป้องกันโรคภัยให้เจ็บป้องกันยังไง เ, ออเราจะเสื่อมจากกุศล ช่วงนี้เราจะต้องเร่งจะเดินกุศลเพราะว่าจริงๆถึงกว่าแล้วนั้นการเดินกุศลบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเกิดไฟเกิดโรคแล้วเกิดระบาดเลยเกิดความไม่สามัคคีขึ้นมาเราจะเดินกุศลไม่ได้พวกนี้ไม่ตลับมาเดินกุศลทุกวัน เ, เป็นอยู่ด้วยความรู้เข้าใจเราควรเป็นกลุ่มที่สามใช่ไหมจริงไม่จริงแล้วจะฝึกยังไงใครที่เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองก็ฝึกให้เป็นกลุ่มสามหการก็รู้เข้าใจมัน พอเข้าใจเสียก็ไม่ประมาณเข้าถึงความเป็นพุทธพุทธะอย่างแท้จริงพุทธะเป็นชื่อของปัญญาปัญญาเ็ไปรู้เข้าใจองค์ประกอบเข้าใจเหตุปัจจัยอย่างเราป่วยลรวก็รู้ว่าเราขาดองค์ประกอบอะไรให้องค์ประกอบถึงไหให้ไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้ไปตื่นตระหนกตกใจกลัวอะไรก็เพียรพยายามเจริญบุญลเอาละล้วปิดบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้น ปิดช่องให้ให้อุสสนให้ผลทางด้านกลุ่มนํามาทําำสิทางด้านร่างกายด้วยความประมาาด้วยความไม่รู้ก็ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้อุตุยังไงให้อาหารยังไงให้อียวบดยังไงให้เหตุปัจจัยยังไงโอ้ประทับเหตตามเหตุปัจจัยก็เข้าใจมันจิตก็ไม่ไม่วิตกกังวลไม่ว้าวใจก็สบายเป็นสุทุกขั้นตอนมองเลยนี่นีนเป็นอย่างนี้นั้นตรงนี้สําคัญมากเพราะว่า ไอ้ทีนี้ไอ้ข้อมูลแบบเนี้ยบางทีเราเราไม่ได้ไม่ได้รับตลอดพอไม่ได้รับตลอดเนี่ยพอไปสักระยะหนึ่งมันก็มึนอีกใช่ไหมมึนอีไปรับข้อมูลอย่างเดิมเดิมเข้ามาอีกจริงไม่จริงมันก็กลับกลายเป็นไอ้คนเดิมอีกเคยเป็นบ่อยไหมแบบนี้ <c oughs> <c oughs> บางทีฉันเห็นต้องเยอะเดินผ้าเรื่อยเดิน้าเดินแล้วก็ปล่อ ย, อ ย, อยๆยไปสักระยะนึ่งทีนี้เขามาเขียยแป๊บหนึ่งอา้าวได้สติกันมาอีกแล้วแล้วเขาไม่ต่อเขาไง เขาไม่ตอบพวกเขาเด็กเขาับไปประมาณอีกไปเขาเกียดมันมันเป็นอย่างนี้มันรู้จริงไหมเคยยังไงมันก็ตกล่องมันอยู่เคยยังไงเคยมีทนนิสัยอย่างไรเคยเกลียดอะไรเคยกลัวอะไรเคยรักอะไรมันก็ไหลไปอย่างเดิมๆใช่ไหมเคยกำหนัดแบบไหนขัดเครื่องแบบไหนลุมหลงอย่างไหนมัวมอแบบไหนก็จะไปช่องของเขาอยู่ตลอดเวลาไอ้ความประมาทก็กลับเข้ามาอย่างเดิมยพอถูกกระตุกทีโอรู้สึก ตื่นขึ้นมานิดนึงแล้วเ ข, า, ขากายไอ้ผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยมันตื่นในแป๊บเดียวแล้วเขาก็หลับต่อหลับก็คือเผลอสติต่อใช่มัหมนี่ก็เห็นนี้บ่อยบ่อนบางที บางทีไปเราจะไปสกิดแบบเดิมไม่ตื่นนะพอเราเคยสกิดไปแล้วแบบนั้นนะไม่ไม่ตื่นอีก<า>ฉันมันเรียนรู้ไม่ตันหาไม่เรียนรู้เร็วไว้ตัวเนี้ยเรียนรู้เร็วมากเพอสกิดย่างเดิมไม่ตื่นต้องสกิดแบบใหม่อีกอ ม, มันนึกกระจโอ๊ยเหมือนเยอะนี่<笑><笑>ฉันเห็นเยอะเลยแบบนี้อ่ฉันเจอมาเยอะไงแบบเนี้ยใช้ข้อมูลเก่าๆไม่ได้เรื่องนะไม่ได้แล้วมันเรียนรู้แล้วตันหาเรียนรู้นล้วเพราะเห็นไหมตันหาไม่เรียนรู้ธรรมะอยู่เรื่อยเลย บางทีฉันเจอเยอะเลยะหาดพาร์ตี่อยู่ด้วยกันทีฉันลองใช้ข้อมูลเก่าไปบอกอเขาเฉยๆเขไม่เป็นละโอ้ปัญหาไรายการมากเรียนรู้แล้วเขาไม่ฝึกตัวเองไงไม่ฝึกไปอยู่เหนือกิเลสให้กิเลสอยู่เหนือปัญญาเขาเขามีเป็นปัญหามากฉันเจออย่นี้ตลอดเลยนะเท่าที่ฉันรู้จักเขาไม่เขาไม่รู้หรอกว่าภัยอันตรายคือกิเลสมาเรียนรู้ ปัญญารู้แค่ไหนโลกิยะกิเลสมันรู้ได้หมดแหละเว้นแต่คุณพัฒนาถึงโลคุตละเมื่อไหร่กิเลสถึงตามคุณไม่ทันใช่ไหมล่ะคุณประมาทนี่รู้เด็กเดิมคิดคุณคิดว่าคุณจะตัวรอดเลยไม่มีทางความรู้คุณยังเป็โลกิยาอยู่มันยังขอบเขตของตัณหาอยู่คุณจะพัฒนาปัญญายังไงไม่ให้เป็นธาตุของกิเลสนะใช่ไหมเพราะไม่เจอหน้ากันสักสองสาวันแล้วใช้ข้อมูลนี้ไปนั่งคุณ มึงกินอีกไม่ตื่นเต้นไม่กลัวหรอรู้แล้วก็ข้างในก็มีเชื้อโรคเต็ไมไปหมดข้างนอกก็เชื้อโรคเต็มหมดถ้าไม่เราตายเวลาไหนก็ได้เราเห็นเป็นไรก็ตายกัยกนทุกคนใช่ไหมมันตายกันทุกคนนี่มเห็นเป็นไรเลยคนนี้ก็ตายคนนี้ก็ตายไปกลัวอะไรวะงั้นเลแต่ก็ประมาทแต่ถ้าเป็นปัญญารู้ไม่ใช่ตื่นตัวขึ้นมาไม่อยู่เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะละอกุศลเจริญกุศล เพียรในการที่จะเข้าถึงกุศลที่มันยิ่งๆิ่งพิเศไปใช่ไหมถ้าถ้ามันเห็นความจริงตรงเนี้ยแต่ถ้าเห็นด้วยกิเลสตัณหาภาษาเปลืองไงไม่เที่ยงกนะันตายทุกคนผมเผาผ ม, มรู้เท่าไหร่แล้วกินเหล้าต่อแล้วก็ทําผิดต่อไม่เห็นมีใครรอดสักรายว่านั้นเลยเนี่ยหมอไงบาดล้ารู้หมดเต็มล่าอะไรได้หมอมเหม็นล่าอะไรได้เลย เ, เขาไม่รู้องค์ประกอบของกรรมและผลของกรรมไม่รู้องค์ประกอบของกุศลอกุศลใช่ไหมล่ะนี่เป็นอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างี้เตี๋ยเราจะรู้อย่าเรียนธรรมะเหมือนหมอเหมือนสัพเพเหรอในเรื่องเหมือนข้อมูลหมอหมอก็ได้แค่รูปประทมรูปประทมองค์ประกอบก็ไม่ครบนามธรรมาไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงเอาความเชื่อไปฝากไว้ตรงนั้นไม่ได้ไม่ใช่สัรพยุตยิญาณใช่ไหมล่ะ ถึงบอกว่าเออรู้ได้ศึกษาได้และเข้าใจได้แต่ต้องรู้ว่าจริงๆต่อศึกษาแค่ไหนก็รู้รู้องค์ประกอบไม่ครบไม่ครบด้านอยู่ดีแล้วถ้าไปยึดขึ้นมาก็กลายเป็นสุดตรงอยู่ดีเพราะเรารู้ไม่รอบรู้ไม่รอบเพราะเพราะความรู้นั้นมันเป็นบางทีมันรู้ด้วยสัญญารู้ใช่ไหม รู้ด้วิญญาณรู้ไม่ได้รู้ด้วยปัญญารู้ถ้าปัญญารู้มันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาตัวยังไงมันก็รู้ทั้รู้ตลอดเพราะปัญญาใช่ไหมปัญญามันเข้าไปรู้ลึกรู้ชัดรู้กว่ารู้เดรประการต่างๆรู้รอบด้วยแต่รู้อย่างสัญญารู้มันก็จำเช่นเมี่ยงยังจได้อะไรก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่มันยังกรธเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมมันยังยึดมั่นความเห็นเดิมๆอยู่นะนี่เป็นอย่างนี้ นั่นถึงบอกว่าไอ้รู้อย่างสัญญารู้เนี่ยมันถ้ามันจากกุศลสัญญาพัฒนากลายเป็นวิชาภากดสัญญาก็เป็นเป็นสัญญาเป็นปัจจัยต่อปัญญาที่ไปชํำระกิเลสก็ชัดทีอะไรเงี้ยแต่ด้วสัญญาว่าถ้าเป็นปะปันจะสัญญารเรียบร้อยเลยถ้าไปยึดยึดเสร็จก็อย่างเหมือนเราจำนั่นแหละ รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนใช่是是ไหมอย่าไปยึดอะไรมันเยอะเลยแล้วก็ท่องกันไว้สิจะง่าไม่ยึดมั่นแต่อยู่บนความยึดมั่นนะข้าวนะข้าก็ช่างหัวปล่อยป่าละเลยไปเลยถจะไม่ใหญ่ของเราหรอกจะไปทําอะไรมันมากแล้วลบก็ปล่อยมันลบบ้างนะข้าวอะไรไม่ทํากิจ ให้สมควรกับการทำจิตเราเองให้มันถูกต้องกลายเป็นคนปลยปยดปากอะไรอย่เห็นไหมแต่ไปยึดความเห็นว่ามันไม่เที่ยงและไปยึดการกระทำแบบนี้ว่าถูกกลายเป็นคนแบบนั้นเยอะหมดเลยทั้งกรมพุทธศึกษาธรรมะไปก็ได้แค่สัญญารู้สังเกตงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเราขี้โกรธมากเลยนะใช่ไหมละ่ะคนเห็นแต่รักษนะ่ะ คนเห็นไตรละนะักษณ์น่นแปลว่าพอไปเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงแล้วไปเห็นด้านสัจธรรมแล้วจะไม่บกพร่องเรื่องจริยธรรมเข้าใจคํานี้ไหมเมื่อไปเห็นไตรลักษณ์เข้าถึงสัจธรรมแล้วจะไม่บกพร่องในขั้นจริยธรรมไม่บกพร่องในขั้นในขั้นของการที่ตนเองเป็นแม่ปฏิบัติต่อลูกลูกปฏิบัติต่อแม่พี่ปฏิบัติต่อน้องปฏิบัติต่อสามีภรรยาไม่บกพร่องเลยเจ้านายลูกน้องปฏิบัติต่อกัน พระราชน์บารสุบจิตการปฏิบัติต่อพสมผสมปฏิบัตบบิต่อบาสุบสิการจะไม่บกพร่องในขั้นของจริ ย, ยธรรมปฏิบัติกันให้ถูกต้องดีงามเพราะเข้าใจกดอะไรครับท <c oughs> ี่ไปเห็นไม่เที่ยงแล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วทิ้งหมดเลย <c oughs> ไม่ปล่อยปลาร้าลเลยพ <c oughs> ่อก็ไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่แม่ลูกก็ไม่ใช่ลูก <c oughs> งานการทั้งหลายอย่าไปสนใจเดินมากใครจะทำอะไรก็ปล่อยปาลาระเลยไปเลยเข้าใจอย่างนี้กลายเป็นบกพร่องในขั้นของจริยธรรม แม่ผู้ใจเจ้าพอตัสรู้ความจริงแล้วพู้เจ้าวุ้งไม่เอาอะไรแล้วต่อไปไม่ต้องสอนไม่ต้องไม่ต้องทำกิจของความเป็นผู้เจ้าแล้วทิ้งเลยเป็นงั้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นงั้นเลยภาษาลิบวดก็โอ้ยไม่เอาแล้วแม่เมื่อไม่มีจริงแล้วโลกจะทำงานมาทําไม่ต้องกลับไปสอนหรอกแม้ขั้นขั้นตอ น, นขั้นใกล้จะนิพานแต่ยังต้องลาบากในขั้นใจแย่ธรรมทากิจในความเป็นลูกใช่ไหมล่ะ เขียนชัดไหมคนที่เข้าถึงสัจธรรมแล้วเนะี่ยขั้นจริยธรรมก็ไม่บกพร่องแต่คนที่ไม่ก็จำว่าสัจธรรมมันเป็นแบบนี้จะบกพร่องด้านจริยธรรม <laughs> บกพร่องหมดลมแล้วเราเห็นยัง<ม>แล้วเข้าใจขึ้นมั้สัญญาทำสัญญารูอืมคนละเรื่องโดยมากก็จะเป็นอย่างเนี้ ถ้าเบ ก, บอก่องจทําไหร่ก็รันง <laughs> ั้นถึงบอกตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อหบทีเราเห็นเนี่ยนะนักลข้านักเข้าเนียนสอนเรื่องมันไม่ให้ยึมด ม, มั่นดือมั่นหลอนนิดนึงใช่ไหมนักเข้านักเข้ามันบกพร่องหมดเลยเลยไม่ทำหน้าที่กันเลยบกพร่องทิ้งปล่อยปละละเลยในสดุดใจ เรไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาไม่รู้กี่ร้อยชาติแล้วอย่าทิ้งาชาติเนี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยไปล้วไปแล้ ว, ไ, ลวไม่ต้องสนใจแลเริ่มเข้าใจยังจะได้วางท่าทีทางใจถูกจะได้เจริญกุศลด้วยกันเพราะว่ากุศลสำคัญที่สุดใช่ไหมนั้นถึงนั้นชีวิต ที่ได้มาได้มาโดยกุศลได้มาได้ทานกุศลเสียงกุศลภาวนากุศลนี่แล้วก็ถ้าเราเดินกุศลถูกเสียเนี่ยเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขนั่นถือว่าเจริญธรรมอิทุกข์เห็นทุกข์เห็นปัญหาใจมันเป็นเพราะอะไรทุกขจจ์ัตตจารสมุทัยาสัจจานิโรธาสัจจามขัตตจาร์เห็นไ้ม ทุกขังปริญเยยยังอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยยังบอทุกขสัจจ์เนี่ยเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรกำหนดรู้ควรรู้จักควรจับตัวมันให้ได้ควรเข้าใจแต่เรายังเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังทุกขสมุ ท, ทยัย คือโรภาตศาสามโมหามานาทิทิวิจิขิชาหิไดการเลตะอุทจจามานาะทิทิเป็นตัลลิตันหามานาทิฐิตันหาสมุทยัยสัจจกวณลักคุณประหานแต่เรายังไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกเพียงให้รู้จักแค่นี้แล้วไม่ต้องไปออมแอบออกมาเจริญเนอะเห็นแล้วเที่ยเห็นแล้วก้มเนี่ยเป็นสมุทยัยสัจจมันเข้าเข้าข้อสองหมดเลยทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตพังทุกขนันนิโรดเนี่ย เป็นกิจที่ควรรู้ถึงควรประจักษ์แจ้งควรมารู้ถึงเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเพียงให้รู้จักกิจหน้าที่ของเขาก่อนทุกขนนิโรโธทุกขนิ โ, โทร ท, โทครามมีปฏิปทาอริยะสะจางภาเวตาภัมมคัสจ่ายควรเจริญควรควรปฏิควรลงมือทำควรปฏิบัติปฏิบัติข้อเดียวข้อสุดท้ายคือสมาทิฏีิเป็นต้น เขาให้เดินข้อสุดท้ายไอ้สามข้อมันไปมันเองมันไปมันเองให้เดินข้อมัจเดินสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะใช่ไหมก็คือเมื่อเราใช้สัมมาทิฏฐิไปเห็นทุกเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเห็นกิเลสตัณหาเป็นต้นเห็นจุดหมายปลายทางพอปัญญาเข้าไปเห็นความจริงขึ้นมา รู้ทุกหรือยังละหรือยัง <Yeah. S 1> ในกําลังละ น, ะนั่นเองตอนนั้นเนี่ยในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นไว้กิเลสก็ถูกละแล้ว <Yeah. S 1> กําลังดําเนินสู่จุดหมายหรือยัง <Yeah. S 1> นั่นแหละดาเนินแล้วท่านเดินข้อเดียว <laughs> เดินข้อมักขัดจ่ายอย่างเดียวหลักการมีอย่างนี้เอง <Yeah. S 1> แต่เราไม่ถูกสอนเอามาใช้ยังรอริยสัจเนี่ยสอนกันจนหูลึกซึ้งจนใจปฏิบัติไม่ได้กันแล้วเข้า <Yeah. S 1> ใจไหมล่ะ <Ừ> โอโหสอนกันจนไม่รู้ใส่องค์ธรรมกันเพียบจนเอามาปฏิบัติไม่ได้แล้วฉันจะสอนอย่างนั้นก็ได้นะใช่ไหมใช้เวลาเยอะมากเลยอริยศาสตร์เนี่ยใช่ไหมเราไปดูในสัจจวิพังใช่ไหมสัจจวิพังเรียนเป็นปีนะฉันเรียนเป็นปีเลยนะมันจะเข้าใจยังไงวะใช่มเราเรียนกันเป็นปีเลยเนะในในสัจจยมกใช่ไหมสัจจยมกเรเรียนเป็นปีฉันเรียนมาเป็นปีเลยนะโอ้โห ยากเล่มเบลิงขนาดนี้นี้ไมเนี่ยยาจแล้วจะมาพูดกันสี่นาทีห้านาทีเอ๊ะถ้าพระเจ้าเอาสัจจะยมกมาเทศอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมสัตว์โลกอนาถพินิกขาจะได้บรรลุไหมพระเจ้าพิมพิสารจะได้บรรลุไหมแล้วทําไมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำไมบรรลุอ่ะก็พูดแค่ทานกระทาศีลัทธาสกัถาการามทีนวัคถานี่ครับมณีสังสักะ แล้วก็จบลงได้อริยสัจใช่ไหมท่านเลยบรรลูอ่ะไม่เห็นใช้เวลานานเลยเพราะก็สอนท่านสอนอย่างนี้ไงไม่ออกแบบคัมภีร์ใช่ไหมทำไมภาษารี่บ oh ุตรเทศเรื่องอนัตตาตอนบัานปาชีวิตของนาถาทำไมนาถาร้องไห้เพราะไม่เคยฟังธรรมะแบบนี้เลยใช่ไหม เออแล้วเป็น้ารยะได้ไงคุณไม่เคยฟังเรื่องนี้เลยหรือทําไมร้องไห้ทําไมไม่เคยฟังลึกซึ้งอย่างนี้เลยอ่ะรูปไม่ใช่ตัวตนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตาตัวตนของเราไม่ได้เคยฟังแบบนี้เลยอ่ะทําไมบ้าร่วเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วบางทีเราไปเรียนสัจจะยมกกันอย่างดีมันใช้ไม่ได้ฉั้นถึงบอกว่าไม่ใช่ไม่ดี คุณจะเรียนไว้เพื่อวิจิตบันจงพิสดารเพื่อช่วยสัตว์ที่มีกระถาวิจิตมีประเภทที่ทิฏฐิวิปลิตทั้งหลายเนี่ยจะได้คือจะได้ตามแก้แก้กิเลสเขาใช่ไหมมามุมไหนของสัตว์โลกอาจะได้แกะมุมเขาได้นึกว่าไปแต่แต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือเราไม่เข้าใจอริยสัตว์เนี่ยเราไม่รู้จะปฏิบัติยังไงใช่ไหมทุกสัจจ์สมุทัยสัจจนิโรธาสัจจ์ จริงๆก็ให้ปฏิบัติข้อเดียวอยู่มัคคสัตว์สมาธิถี่เป็นมัคคสัตว์ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาเป็นมัคคสัตว์ให้มาเดินข้อนี้เพราะวิหารอยู่สัจจะข้อไหนอยู่มัคคสัตว์เดินเมตตากรุณาเมตตาเวขาใช่ไหมอิธิบาทอินทรพราพโภชงอริยมรรคเป็นมัคคสัตว์หมดศีลสมาธิปัญญาสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอยู่ในสัจจะข้อไหนก็อยู่มัคคสัตว์ให้มาเดินข้อนี้เดินข้อนี้ก็พอแล้ว พอจะชัดนีมให้เดินคอเที่ยวนี่พอไม่เดินอย่างนี้ก็ยุ่งเลยเนี่เนี่เอาแล้วที่สมมติว่าไอ้คนคนนี้นี่สมมติยกท่านไหนเอ๊ะท่านไหนเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องเลยบอกให้ทําอีกอย่างท่านไหนก็ไปทําอีกอย่าง ใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่อันนี้ใช่ใ ช, นน ใ, ชใช่ทุกข์สษัตริย์ไหมเนี่ยใช่ปัญหาไหมปัญหาชัดๆเลยนะเนี่ยก็บอกให้ไปถูห้องแต่ท่า น, นัายไม่ถูแต่ากายไปนั่งดูหนังสือพอพูดปุ๊บท่านนายก็เถียงทุกคำารงอันนี้มันตดจอามันปทบเพืยมะ ที่ท่านไนเป็นอย่างนั้นมาจากอะไรสมุทัยท่านไนเดินไดแค่สองสัจจางในชีวิตของท่านนไนได้ทุกข์กับสมุทัยใช่ไหมพอเราเห็นแล้วเราเครียดไงเราเดินสัจจาข้อไหนแล้วก็เดินสมุทัยสัจจาให้ใช้โลภะโทสะโมหะ็นสมุทัยสัจจานี่เราเห็นท่านไนเราเครียดไงอย่างเชนเห็นท่านไนเพราะฉันเครียดกินทุกทีเลยเห็นทีไหนก็เครียดทันทีแสดงว่าฉันเดินสัจจาผิดนี่ฉันดันไปเดินสมุทัยสัจจา แท้จริงฉันต้องเดินก่อนไหนมารคสัจจาอาต้องเดินยังไงก่อนอาจจะเดินยังไงเดินมารคสัจจาฉันก็รู้ก่อนอ๋อใช่ไหมตอนนี้กิเลสตอนนี้กระแสชีวิตของท่านนี้ถูกกิเลสคือโลภะตัสัตว์โดยเฉพาะโมหะครอบงาแล้วถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวขนาดนี้ปัญญาเขาไปวิจัยแล้วใช่ไหมฉันเดินสมาธิที่ถูถกก็ยังเดินเนี้ย เดิกรรมมาเซตาสมาธิถี่โอ้ี่ทำกรรมแบบนี้จะเดือดร้อนพอฉันไปรู้ความจริ ง, งนี้ใจยังเป็นทุกข์ไหมเป็นหรือไม่เป็นเนครียดทำํทำไมทํำไมท่านไหนเป็นอย่างนั้นล่ะฉันกระโดดไปไปเดินข้อสองนี่ไม่เอาสินี่เอาทําไมก็ไม่ใช่ทําที่ควรเจริญไงฉันควรเจริญมารถสักเมื่อเห็นท่านไหนเมื่อเห็นยอมจีบเหมืฉันควรจะเดินข้อเดินข้อไหนใช่แต่ฉันไม่เห็นยอมจีบก็ฉันขัดเถียงเลย เห็นพบกำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างรุ่มหลงบ้างไปแล้วฉันเดินผิดข้อใชเห็นสุนัขวิ่งมาฉันไปรู้สึกลำคาญมันเหลือเกินมันวิ่งกันบนห้องเนี่ยฉันเดินข้อไหนฉันไปเจอสมุทัยสัจจะผิดหรือถูกฉันควรเดินข้อไหนเดินปัญญาให้เข้าใจสุนัขโมหามีกำลังไม่รู้เรื่องเสร็จแจะ เรามีปัญญาเราจะแก้ไขอย่างไงโอ้มันมันเดินมรรคสัย์ใช่ไหมจะตั้งกรุณนายัางไงแก้ไขยังไงวางใจเป็นกลางยังไงโอ้มันมาเยอะเลยมรรคสัย์มันใช้ได้จริงในชีวิตไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเขาจะบอกให้เดินมรรคสัย์จริงไหมเอาจริงจท่านไหนไป ตัดต่อวิดีโอเนี่ท่านนา้เดินข้อเนี่ยสมุทรปรากาโอ้ยจะทำยังไงเนาะให้มันเสร็จเนี่เครียดเหลือเกินตัดต่อเครียดเหลือเกินนู้นเงี้ยนะสมสมุตินะ เ, เดินเดินดีนี่เดินผิดข้อดีอย่างเงี้ยจะไม่เล่าก็ อ, อยู่กับทุกข์กษัตริย์อีเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ก็เป็นทุกข์กษัตริย์เป็นรูปธรรม กระแสชุดเราก็เป็นทุกข์สัตว์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอเราเรามาบวชนี่เราคำนวณจะเราจะเดินนี่แหละจะมาเดินสมุทรเทวสัจจะเอาสมุทรเสัจจะ ก, ก็เป็นเหตุของทุกข์สัจจะใช่ไหมล่ะทำทำไมเนี่ยก็ไปเดินมรรคสัจที่ได้เป็นเหตุของนิโรธาสัจจะใช่ไหมล่ะก็เราจะไปนิโรธาสัจจะเราจะไปนิโรธก็กําหนดจุดหมายชัดพระเทวิษัทก็ต้องมีจุดหมายร่วมคือนิโรธ ห, หนึ่งชี้ปัญหาคืทุกสองชี้เหตุเขาปัญหาคือสมุทยัยดังนั้นสองข้อนี้เราจะไม่ดําเนินเด็ดขาดเราจะไม่สร้างเหตุเพื่อไปหาทุกอย่างเด็ดขาดเอาแต่ต้องรู้จักแต่ต้องละทําความเข้าใจไว้เอาวางจุดหมายร่วมกันเราจะดับปัญหายัางไงดับเหตุของปัญหายัางไงคือนิโรธชี้ไปที่จุดหมายคือนิพพานทุบรมธรรม อาจจะดําเนินมหากษาัตรย์ยังไงระดมยังไงนี่ข้อสี่นี่เพื่อจุดหมายร่วมกันคืนที่เราทัศนจากนั้นต้องเข้าใจทุกละสมุทยจุดหมายคือนี้โลดชัดไหมอย่างเงี้ยแต่อย่าไปเดินนะข้อสองอย่าไปเดินน่าจะเดิน ว, วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าวเดินเพราะงั้นเราก็เรียบร้อยเลยถ้าเข้าใจอริยสัจอย่างนี้ชัดไหย ถ้าไปคุมเครือมันก็มันก็ยุ่งจริงๆไปที่ไหนเอา้าโดดพึ้งไปข้อสองอยู่เลยลวก็ไปสู่ทุกข์ัดอยู่จะไม่บ้าทุกข์ัดเนี่ยมันเป็นทุกข์ของธรรมชาติอย่างเช่นท่านไหนท่านไหนเป็นของท่านอย่างนี้เช่นท่านไหนนั่งแล้วงกงงสมมุติในะกิเลสกิเลสกุ้มลมโลภะโทสะกุ้มลมท่าน ท่านกําลังเดินสมุทัยสัจจะเพื่อจุดหมายคือทุกขสัจจะกระแสชีวิตของท่านก็เป็นทุกขสัจจะและท่านก็ถูกสมุทัยสัจจะท่านกําลังเดินสมุทัยสัจจะอยู่เราเห็นปัญหาหรือยังกระแสชีวิตของท่านนายเป็นทุกเป็นปัญหาใช่ไหมเห็นเหตุของปัญหาหรือยังที่ท่านเดินกุศลไม่ได้ท่านเดินเดินสมุทัยสัจจะเห็นเหตุของปัญหาหรือยังใช่ปัญหาและเหตุของปัญหาไหมพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราเป็นทุกข์ไหม ถ้าเราไปเห็นปุ๊บสมมุติท่านไน้นมาเป็นลูก ย, <ะ>ยอมยอมเครียดไหมเครียดขึ้นมาแปลว่าอะไรยอมเอาทุกข์ของธรรมชาติที่เป็นทุกข์กสัจจานเนี่ยมาใส่ไว้ในใจของเราเองแปลว่าเราแบกทุกข์<ม>โดยเดินสมุทัยนั่นเองอันนี้แปลว่าเราปฏิบัติ ก, กิจกต่ทุกข์ผิดด้วยถูก<ม>ผิดอีกทุกขังปริญญาญงเนี่ย<ม>ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ควรรู้จัก ควรรู้จักว่ากันนี้เป็นทุกข์ควรรู้จักว่านี่คือเหตุของทุกข์ควรรับกำหนดจุดหมายทันทีว่าเราจะต้องพ้นจากอเราจะเข้าถึงนิโรธให้ได้โดยการมาเดินมารกษะเอาปัญญาเขามีรู้พอรู้ความจริงปุ๊บจิตเป็นไงปลอดโปร่งจิตปอดโปรงโล่งโอ้ชื่นใจเหลือเกินเราเราจะต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้เนาะวเรื่อเหียด น, นี่ยังเดี๋ยเนี้เขากําหนอดอย่างนี้ เขากาหนดอย่างนี้เหมือนจะเห็นยอมจิบก็เครียดกับลูกน้องใช่ไหมพอเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยฉันรู้แล้วอ๋ออิทุกขศัจจ์กับสมุทัยสัจจาฉันกนําหนดกฎหมายอ๋อเพราะยอมจิตกําลังกําลังทําสมุทิทำสมุทัยสัจจาเพื่อเข้าถึงทุกขศาัจจ์อีกรอบไปกระแสญญชีวิตนี้เกี่ยวพันกันมาไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพถ้าพระเจ้าอยู่ก็บอกอ๋อสองคนเนี้ย เคเกี่ยวข้องกันมาเคยเกี่ยวข้องกันเป็นนายเป็นบ่าวกันมาแล้วก็เคยทําให้ทุกข์ให้เครียดกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วและวในที่สุดจริงก็พันอีลงตุงนางกันมาไม่รู้กี่ร้านอัตภาพใช่ไหมโอ้โหเห็นทุกข์กษัตริย์ชัดเลยนี่อสสาศัยปรรยัญญามระเจ้าก็เห็นความจริงนี้พว๊บก็โหวกําหนดเลยเธเนี้ยจุดหมายคือนี้โรธสจัจจะเราจะต้องเข้าถึงนิโรธได้มาเดินมรรคสาัจจะรู้ความจริงเบ็ดเสร็จวางท่าทีดำใจฉันกําหนดอย่างนี้ฉันวางท่าทีทดำใจฉันไม่เครียดโอ้โหหน่าเคร ทุกังวลเหลือเกินฉันไม่เป็นเลยเห็นไหมทําไมฉันไม่เป็นทั้งทฉันรู้จักเพราะฉันไม่เดินข้อสองฉันมาเดินข้อสี่แม้กระทั่พี่น้องพ่อแม่ก็เป็นแบบนี้หมดก็ฉันก็เห็นแบบนี้มันทั้งหมดเยอะแยะไปหมดที่เกี่ยวข้องเห็นท่านนาเป็นทุกข์เดือดร้อนฉันโอ๊ยฉันไม่ได้ทุกข์ด้วยกับท่านายนะฉันมาเดินข้อมัดน่ะมัดกษัตริย์น่ะใช่ไหม จริงๆก็คือกำหนดอริยสัจถ้าไม่รู้อริยสัจเราและเธอก็ท่องเที่ยวต้องเกิดชาติบ่อยๆชราบ่อยๆพยาที่บ่อยๆมรณะบ่อยๆต้องไปประสบสัตว์นรกเป็นอสุรกายเด็จฉานมนุษย์เทวดาหมุนเวียนอยู่าเงี้ยเพราะไม่รู้อริยสัจใช่ไหมเราและเธอจึงกลายเป็นผู้มืดบอดในสังสารวัฏพอรู้อริยสัจใช่ไหมแล้วปฏิบัติกิจในอริยสัจถูกใช่ไหมเราและเธอจึงพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้นี่พุทธพจน์นะ เพราะเราเราไปเรียนอริยศาสตร์กันแบบไหนเนี่ยเรียนกันมาจนจนขนาดนี้แล้วใช่ไหมถ้าเรียนมาขนาดนี้แล้วยังใช้ไม่ได้เนี่ยนี่แปลว่าสอบตกนะตกเลยนะเพราะเราเรียนไม่ใช่เพิ่งเรียนเราเรียนมาตั้งนานนะแต่เราปฏิบัติในกิจอริยศาสตร์ผิดจริงไม่จริงฟังก็อริยศาสตร์อะไรก็อริยศาสตร์กันมายุ่งอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมเรียนเราเปเครื่องประดับ ไม่ใช่ใบ ป, ประกาศมาติดลงฝาลงนะเราเอามาใช้กันจริงๆเลยนะฉะนั้นถึงบอกว่าเอออันนี้อันนี้อันนี้พูดให้ให้เข้าสู่การปฏิบัติได้นะว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะและและคำสอนพระเจ้านะ่ะให้มนุษย์ปฏิบัติได้ไม่ใช่เอามาแค่เรียนรู้ประดับให้ปฏิบัติได้จริงๆในชีวิตจริงนะและบรรลุได้จริงเข้าถึงได้จริง<ม>นะมองออกไหม ไม่ใช่ว่าเอามาโอโ้เป็นเพ้อฝันแล้วก็มานั่งคุยกันเล่นไม่ใช่เพราะว่า เ, เหมือนเหมือนเวลาไปอินเดียหรือไปหน้าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยฉันบอกฉันบอกพยมบอกว่าอวัยวะที่เราต้องมานั่งรถกระแทกอายุฉันเนี่ยควรจะอยู่อีกห้าปีนะแต่บางทีมันลดลงมาตั้งห้าปีหกปีนั้นมาแบบนี้แต่ทำไมฉันกล้าแลก เพราะฉันถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยปกติปล่อยไว้เฉยเฉยมันก็พังไปมันอยู่แล้วแต่มันเป็นบารมีไหมมันไม่เป็นหรอกก็ไม่เข้าใจมันจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะมันเข้าใจนะเหมือนท่านนั่งตัดต่อเนี่ยนั่งด้วยกิเลสกินเนี่ยเป็นบารมีไ้มล่ะมันไม่เป็นหรอกนั่งไปเดี๋ยวก็พังไปรอวันตายกันไปใช่ไหมทุกวินาทีแต่มันจะเป็นบารมีก็ต่อเมื่อเราเดินกุศลเรากล้าสลัมันกล้าสละกอวัยวะกล้าสละชีวิต เพื่อแลกมาใ ห, ให้เห็นอริยสัจและปฏิบัติในอริยสัจได้ถูกต้องจริงไม่จริงถ้าเข้าใจอย่างเนี้มันจะรู้สึกโอ้โหเราเราเข้าใจแล้วเราเห็นพุทธคุณเริ่มชัดเจนอยังตอเนี้ยแล้วมันเดินได้ไหมตอเนี้ยแล้วยังไงให้เข้าใจแล้วตั้งใจว่าเราจะต้องเดินมรรคสัจได้เราจะไม่เข้าไปเดินในสมุทยัยสัจจะอีกดึกครับแต่ แต่ระวังนะบางทีตั้หาเรียนรู้พอเรียนรู้อีกมันเล่นงานเราอีกแล้วก็บอกโอ้มันบอกไงรู้ไหมไม่ใช่พุทุชนมันก็มีบ้างเห็นไหมมันหลอกเราอีกนะมันหลอกกับพุทุชนก็รู้ว่าพุทธชนก็ฉันไม่อยากจะเป็นพุทุชนเนี่ยเราไม่อยากเป็นอีกแล้วเราเจ็บปวดกับนันมานานใส่สัง ส, สารวัตที่เราเกี่ยวข้องกับใครมาเนี่ยมันเจ็บปวดมันนักนักต่อนักแล้ว ในสังสารวัฏยังไม่พอหรือมันควรพอใช่ไหมแต่ว่ามันจะพอได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ทางรู้ทางก็คือเดินมรรสสัตว์ถูกษษษษษคำว่ารู้นี่นะถ้าตราบใดเรารู้อรยิยสัจเพียงแค่แค่มูปปาแค่สัญญารู้แค่เข้าใจเพียงแค่ทฤษฎีแต่พอจะลงมือทําไปไม่เป็นเราก็ออกเกิทุกข์ไม่ได้ เราและเธอเนี่ยเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจก็คือทําผิดกิจเนี่ยอริยสัจนี่แหละจึงต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้มันมันเป็นขนาดนั้นมีอยู่เรื่องหนึง่งกรณีเนี่ยนี่สองสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีการกระทบกันแล้วก็ดีกันกระทบกัน แต่หนา้พาพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกันมา 42,000 ชาติเนี่ยฟังแล้วตกใจเลยทุกษัตริย์โอ้โห4 2 0 0 0ชาติคือื 42,000 ชาติลองคิดดูเนาะเป็นแบบนี้เพราะไม่เห็นในริยสัตว์ถึงเป็นกันแบบนี้ พอคนนี้รู้ก็หมุนกลับเลยท่านไม่เดินไม่เดินสมุทัยยะสจัจจะอีกแล้วกลับมาเดินมรรคสจัจจะคนทุกได้เลยนี่พนทุกได้ฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเรารู้ความจริงนี้บอโอ้เพราะเพราะเรามันติดมันติดตรงที่ว่ามันไม่มีคนบอกเราตรงๆเราหากระยาณมิตรยากมากในยุคอยู่หากระยาจริงไม่จริงกระยาณมทิที่จะบอกเราตรงๆว่าเอ้ยมันเดินผิดข้อนะ น, นี่เราปฏิบัติในอริยสัจก็เราต้องการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่ทํากิจในอริยสัจให้ถูกอย่าหวังเดี่ยวพ้นทุกอันนี้แค่พื้นฐานสุดๆถ้าเราปฏิบัติพื้นฐานถูกตรงนี้เราเราพ้านทุกได้ลรามีโอกาสลมหายใจ y y ยังอยู่เรามีโอกาสพน้นถูกได้ทุกวันได้ทุกวันนะวงเล็บเลยได้ทุกวันขอให้เราได้เราเรามีโอกาส เพราเรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าเราไม่ประมาทอย่าไปคิดว่าเราเกิดมาสุดท้ายไปแล้วยุคนี้เป็นยุคที่คําสอนพระเจ้ายังอยู่เรามีโอกาสทุกเนี่ยให้มันมีเยอะๆมันยิ่งดีเพียงแต่ว่าขอให้ปัญญาก็ไปเห็นตะครั้งพอปัญญาเห็นตะครั้งมันสะเทือนเลยนะมันสะเทือนฟุบเข้ามานะี่ยถ้ามันเข้าลงในสู่ใจได้เมื่อไหร่นะ อันนี้แปลว่าเราได้เบื้องต้นแล้วถ้ายังไม่กระเทือนลงสู่ใจเราอย่างมันยังผิวเผินอยู่ถ้ากระเทือนลงสู่ใจได้สักครั้งหนึ่งแปลว่าเราทำเบื้องต้นเบื้องต้นเห่งการ์ที่เราจะต้องหลุด ห, หลุดออกจากสังสารวัฏได้นี่เป็นบุญยราพเป็นบุ ญ, เ ป, บญเป็นบุญของเราที่เราได้ได้ได้เริ่มมองเห็นว่าอ๋อเราปฏิบัติในอริยสัพพะกต่อไปก็สมาทานแล้ว ขอข้าพเจ้าฉลาดในเรืยองสัตว์ทำกินเรืยองสัตว์ได้ถูกข้าพเจ้าปรารถนาจะพ้นทุกในอัตภาพนี้ให้ตั้งความคิดว่าอยากจะพ้นทุกในอัตภาพขนาดว่าตั้งในอัตภาพนี้บางคนลากไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ขอยรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเราจะปฏิบัติถูกนายพอเข้าใจไหมสาธุ